แนะนำบทอัตตอลัก์บทอัตตอลัก์เป็นบทบัณฑิยะมีสิบสององค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มเกี่ยวกับบทบัญญัติของการหยา่าการหย่าที่เป็นสุนนะการหย่าที่เป็นบิดอาโดยการใช้บรรดามุ้มิ่นผู้ศรัทธาให้ดำเนินตามแนวทางที่ดียิ่งเมื่อประสบกับความขัดข้องที่จะดำเนินชีวิตเช่นสามีพัญญาและเรียกร้องให้ยาพัญญาในช่วงเวลาที่เหมาะสม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 ด้วยพระนามของรอรูุทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอย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 เมื่อพวกเจ้าอย่าภริยาก็จงหย่าพวกนางตามกำหนดอิดดาของพวกนางและจงนับอิดดาของนางให้ครบพวกเจ้าจงยำเกรงอลัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดอย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนางและพวกนางก็จงอย่าออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะ ก, กระทาลามุกอย่างชัดแจ้งและเหล่านี้คือขอบเขตของอลัลลอ์และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอลัลลอ์ แน่นอนเขาก็ได้อาทธรรมต่อตัวของเขาเองเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าบางทีอัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงเรื่องของเขาหลังจากนั้นาบบลลว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 เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันประโลกจะถูกตักเตือนให้ยึดถือปฏิบัติและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่พวกเขาริอ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 واللائي ئ س ن من ا ل م ح ي ض من ن س ا ئ ك م إن ارتبت إن ارتبت فعدتهن ث ل ا ث ة اشهر واللائي لم يحضر وأولاد الاحمال اجلهن اي ض ع ن حملهن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 การที่พวกนางคลอดทารกที่อยู่ในคันของพวกนางและผู้ใดายำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เข า, านั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงประทานมันให้แก่พวกเจ้า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 َإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وَإِنْ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفِ بَيْنَكُمْ أُجُورَهُنَّ فَسَتُرْضِعُ لَهُوا تَعَاسَرْتُمْ จงให้พวกนางพำนักอยู่ณนะที่พวกเจ้าพำนักอยู่ตามฐานะของพวกเจ้า และอย่าทำอันตรายแก่พวกนางเพื่อให้เกิดความยากลําบากแก่พวกนางและหากพวกนางตั้งครันก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครันของพวกนางเสียก่อนครั้นเมื่อพวกนางได้นมแก่ทารกของพวกเจ้าก็จงให้ข่าตอบแทนแก่นางและจงปรึกษาหารือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดีและเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงให้หญิงอื่น ให้นมแกเด็กนั้นควรให้ผู้ร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขา ส่วนผู้ที่มีการยังชีพของเขาเป็นที่ขับแคลนแก่เขาก็จงให้เขาจ่ายตามที่อลัลลอฮ์ส่งประทานมาให้แก่เขาเอาลัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ความลําบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้นหลังจากความยากลําบากอาลัลลอฮ์จะทรงให้เกิดความสะดวกสบายวกอ ت ت มีชาวตำบลกี่มากน้อยแล้วที่ฝาฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาและบรรด า, าศาสนาทูตของป ร, รงุงเราได้จัดการพวกเขาอย่างเข้มงวด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 อลัลลอฮ์ทรงเตรียมการลงโทษอย่างรุนแรงไว้สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นจงยำเกรง อ, อ, อัลลอฮ์เถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธาทั้งหลาย เพราะแน่นอนอลัลลอฮ์ทรงประทานข้อเตือนสติอันคุรานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วรน َمَنْ يُؤْمِنْ وَيَعْمَلْ صَالِحَنْ يُدْخِلْهُ يُدْخِلْهُ تَجْرِي خَالِدِينَ فِيهَا بِاللَّهِ أَبَدًا جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ال اللَّهُ أَحْسَنَ قَدْ และศา س ا าَูตท ت َนหนึ่งคือม ح ฮัมมัด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 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا อันลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและทรงสร้างแผ่นดินเย่างเดียวกันนั้นพระบัญชาของพระองค์จะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายชั้นฟ้าและผ่นดินเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งและแท้จริง อัลนั้นส่งล้อมทุกสิ่งไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์